สะสมเสบียงถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายถ้าคุณจะทราบในนาทีเข้าได้เข้าเข็มมีโอกาสผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคืนก่อน ใช้ผู้หนึ่งนามว่านินากาวะกำลังจะสิ้นลมครั้ง แล้วคุณจะช่วยอะไรผมเกี่ยวกับ ด้วยคําพูดอันฉลาดแหลมและมีพลังเปิด ที่อยู่นอกขอบเขตของการ ไม่ไม่ต้องรอเกิดใหม่ในพุทธการถัดไปขอเพียงมีความพร้อมพอความพร้อมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้าใจเซ็นไม่ต้องได้แก่การเห็นตามจริงที่ว่า 1 เราไม่จําเป็นต้องทุกข์ทางใจก็ได้เคยเห็น คือครุ่นคิดเคร่งเครียดมุ่นครุ่นคือความหดหู่เศร้าหมองเคร่งอยากได้อยากมีรำคาญตนเองคือ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 พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นอื่นแม้เพียงชาติเดียวเชื่อเป็นอื่น หากไม่พบพระพุทธศาสนาไม่พบมีเราตายพุทธศาสนาพอตัวหนึ่งดับไปเข้าใจว่าเรากําลัง ได้ยังสมัครใจๆ สำคัญเราทำดีได้อย่างเดียวเราทำดีได้อย่างเดียวจะสั่งได้เราๆๆ และความรู้ธรรมท่องๆ ไม่คิดจะออกจากโลกแห่งกามอันน่าติด นั่นเองจึงค่อยอยากให้ต้องเจ็บปวดหายเกิดเกิดมาจากความเป็นสิ่งอื่นดัน เมื่อเข้าใจความ 3 หากจึงเกิดความสงสารตัวเองเป็นพิเศษประมาณว่าอาจต้องตายแบบไม่เป็นที่รับรู้ หาลုံงานที่ชอบใจบางอย่างอาจต้องลุยป่าลุยเขากันเขาก็ไม่มีเวลาคิดว่าตัวเองอาจตายในท่าไหนมิอย่างไรอาจตายใต้ต้นไม้ตรงไหนสักแห่งที่ไม่มีคนเดินผ่านสําหรับคน หรืออาจตายเพราะโดนยิงขณะทําหน้า ส่วนคนอยู่ข้างๆนานาสนุกใช้ชีวิตต่างกันแค่ไหนก็ช่างปะไรใช้ชีวิตการ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 หรือเทวดาหรือเทวดาหน้าตาอย่างไรก็ตามเขาจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเสมออย่างไรก็ตามคุณ จะตายทั้งที่ที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าจับต้องได้แย้มซะหน่อยจะเป็นไร ขณะที่ความทุกข์ใกล้ตายจะลวกๆ คุณจะไม่รู้ๆๆ คุณระหว่างกรรมสว่างกับกรรมมืดหากคุณสมัครใจจะให้กรรมมืดนำทางกรรมแบบไม่ไปสนใจเตรียมตัวรับความจริงสุดท้ายเห็นคุณก่อนระหว่างกรรม คุณจะเบิดบานอบอุ่นและเชื่อมั่นคําตอบ First Class ในมือในเดี๋ยวได้นั่งสบายได้ถ่ายสะดวกได้ เพราะ First Class คงไม่พาไปลงสนามบิน ล้วนแล้วมากเข้าเป็นเวลาไม่ยอมโตไปตลอดชีวิตชีวิตของคนคนหนึ่งผูกอยู่กับความคิดทั้งหมดที่มีอยู่หยอดกระปุกทางความรู้ ก็ฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วไม่โดนค่าทิ้งมันก็แปลไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดดับฉันคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละวันเป็นทุกตัวเดียวกัน คิดและสำคัญว่าจะเป็นทุกตลอดไปเท่านั้นดับความเข้าใจผิดเสียได้ละ